วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งหรือจะเรียกว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของชาวพุทธและชาวโลกโลกนี้ก็หมายถึงสัตว์โลกที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในกามพบนี้อยู่ในตายพบนี้ อยู่สามไตรโลกธาตุเป็นวันสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวันที่เราจะมาลํำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ที่เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในบรรดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีใครที่จะ มีความวิเศษมีความรู้มีความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันเสด็จดับอันธปาลนิพพานของพระพุทธเจ้าบุคคลที่มีความ วิเศษที่สุดในโลกไม่มีใครที่จะมีความวิเศษเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครที่จะสามารถยกตนให้ออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สัตว์โลกทั้งหมด ที่อยู่ในตรายโล ก, กาธาตุนี้ยังติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถปฏิบัติตนยกตนให้หลุดออกจากวัตตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือ ความวิเศษของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครสามารถที่จะกระทำได้นี่คือสิ่งที่พวกเรามาราลึกถึงกันเพราะการปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนี้เป็นการปรากฏของผู้ที่จะมาช่วยพวกเรา ให้ได้หลุดออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้แล้วนำเอาพระธรรมคำสอนที่จะนำพาสับโลกให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะ หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรู้ไม่มีใครในโลกนี้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้ากันเลยแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วแล้วนำเอาพระธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลก ให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสน้อมนำเอาไปปฏิบัติ<ม>ก็ปรากฏมีผู้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากมก่อนหน้านั้นไม่มีแม้แต่รูปเดียว<ม><ม>พอมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสอนเท่านั้น<ม>ก็มีพระอาหารหันต<ม>์เกิดตามขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลย อย่างที่ได้พูดไว้เพียงระยะเวลาเจดเดือนเท่านั้นเองก็มีพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็1250สองรหรูปที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสวันมาคาบูชานี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระอาหารหันต์ ไม่มีใครที่จะสามารถปฏิบัติให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมีผู้น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็มีผู้ได้บรรลุเป็นพออระอรหันต์ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่วันแรกของการประกาศพระธรรมคำสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้ที่สามารถน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจำนวนมากและก็จะมีเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ตราบใดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติก็จะมีการบรรลุธรรมนี่คือเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะมาน้อมลำลึกถึงกันเพื่อที่เราจะได้มีความสำนึกในพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าไม่ต้องไม่ทรงปรารถนาที่จะได้อะไรจากพวกเราความสุขต่างๆแม่มว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงมีเตียมเต็มเปี่ยมในพระทัยอยู่แล้วแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาก็คืออยากให้พวกเราได้หลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะสุขเท่ากับการได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดพราจากกันอยู่ ก็จะมีความทุกข์เพราะไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะตายไม่มีใครอยากจะพัดพรากจากกันแต่เมื่อมาเกิดแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอถ้าไม่อยากจะต้องมาพบกับความแก่ความเจ็บความตายการพัดพรากจากกัน ก็ต้องปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติถ้าได้ปฏิบัติแล้วก็จะสามารถกำจัดเหตุที่ทำให้สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ต้องกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาในการที่พระองค์ได้สละ เวลาตลอดระยะเวลาสี่สบหปีด้วยกันหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุแล้วพระ อ, องค์ไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระ อ, องค์เองเลยทรงทาเพื่อสัตว์โลกพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันนี้ก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันเป็นกิจที่ทำเพื่อผู้อื่นทั้งนั้น ตอนบ่ายพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้แก่คารวาสญาติโยมตอนค่ำก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรตอนดึกก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนเทวดาและตอนเช้าก่อนที่จะทรงเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเร่งยาน ดูว่าวันนี้จะไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษใครเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับพระธรรมหรือเป็นผู้ที่มีอายุที่จะต้องหมดไปในระยะอันใกล้แล้วก็พร้อมที่จะรับพระธรรมคาสอนพระองค์ก็จะมุ่งไปโปรดบุคคลนั้น หลังจากได้เรงยายแล้วก็ส่งออกบินทบาทโปรดสัตว์นี่คือภารกิจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ส่งตัดสรู้แล้วไม่ได้นำเอาความรู้ความสามารถของพระองค์นี้มาสแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกบินกายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลาย พวกเราไปร่ำเรียนไปหาความรู้กันพอเราเรียนจบแล้วเราทําอะไรเราก็มาทํางานทําการมาหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายกันแล้วพวกเราก็เป็นพวกที่ไปว่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวใครเป็นคนเห็นแก่ตัวกันนะ่คนที่สละทุกสิ่งทุกอย่าง ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ทำอะไรให้กับตนเองเลยไม่ได้แหวงหาลาบยศสรรเสริญศุขให้กับตนเองเลยมีแต่พยายามอุดสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นตลอดเวลากับถูกคนบางคนว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ทรงสละพระราชสมบัติที่ทรงสละ ครอบครัวสละบุตรสละภรรยาเพื่อไปปฏิบัติธรรมนี่คือคนที่หูหนวกตาบอดคนที่ไร้สติไร้ปัญญามักจะมองโทษของคนอื่นไม่ยอมมองคุณประโยชน์ของผู้อื่นเพราะอิจฉาริษยา ไม่อยากให้ใครดีกว่าตนเก่งกว่าตนจึงจะพยายามมองส่วนที่ไม่ดีแล้วก็ขยายส่วนที่ไม่ดีนั้นขึ้นมาเหมือนดังที่มีคําพูดคําสอนว่าโทษของผู้อื่นแม้จะเท่าผงทุลีก็เห็นเท่าเป็นกองภูเขาส่วนความดีของผู้อื่นแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขา ก็เห็นเป็นผงทุรีไปและในทางตรงกันข้ามโทษของตนเองแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เห็นว่าเป็นผงทุรีส่วนคุณของตนความดีของตนแม้จะเป็นเพียงผงทุรีก็มองว่าเป็นเท่ากองภูเขานี่คือลักษณะของคนพาลของคนงโง่ของคนไร้สติปัญญา ดังนั้นเวลาที่เราชาวพุทธได้ยินใครมาทักถ่ายว่าพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้เป็นคนเห็นแก่ตัวที่ทิ้งครอบครัวไปทิ้งสามทิ้งภรรยาทิ้งบุตรไปทิ้งพระราชสมบัติไปเพื่อไปปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัว ถ้าพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จไปแล้วไม่กลับมาโปรดญาติโยมไม่กลับมาโปรดสัตว์โลกก็อาจจะพอที่จะฟังได้ว่าทรงเห็นแก่ตัวทรงสเสด็จไปปฏิบัติธรรมพอหลุดพ้นแล้วก็หายไปเลยหายเข้าพ้อนิพานไปเลยแต่นี่หลังจากทรงหลุดพ้นแล้วก็ทรงกลับมา เผยแผ่พระธรรมคาสอนให้แก่สัตว์โลกอยู่ถึง45ปีด้วยกันผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้านี้นับจำนวนไม่ได้และประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ <c oughs> ที่ยิ่งใหญ่กว่าลาบยศสารเสริญสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับจากลาบยศสารเสริญสุข <c oughs> ก็เป็นเหมือนผงทุลีนี่ ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนั้นก็เป็นเหมือนกองภูเขานี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติพวกเราจึงควรที่จะรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่เราจะได้ เห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้เกิดมีฉันทาวิริยะอุตสาหะภาคเพียรที่จะน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าทดแทนด้วยการปฏิบัติบูชา เป็นการทดแทนพระคุณที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาไม่ทรงสนใจในเรื่องอมิสบูชาต่างๆเครื่องสักการะบูชาจะวิจิตพิสดารเพียงไรก็ตามเช่นสร้างพระแก้วมรกตขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปทองคาขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปหยกขึ้นมา สร้างอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงปรารถนาไม่ทรงส่งเสริมทรงส่งเสริมให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูบชานี้มันยิ่งใหญ่กว่าผลที่จะได้รับจากอามิ t h a บูชา ผลที่ได้รับจากการก่อสร้างสาวรและวัตถุต่างๆที่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันเสื่อมหมดไปอีกหน่อยอีกไม่นานระยะเวลาผ่านไปพระพุทธศาสนาก็จะเรือนรางหายไปจากโลกนี้เหมือนกับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนของ องค์กรพระพุทธเจ้าของพวกเราสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสมัยนั้นก็ไม่มีซากของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์กอ น, นองเหลืออยู่เลยดังนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆให้มากจนเกินความจำเป็นมีไว้บ้างก็ดีไม่ปฏิเสธ มีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นที่จเจริญสติเช่นเห็นพระเจดีย์เห็นพระพุทธรูปจะได้จเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณเพื่อที่จะได้สร้างให้เกิดฉันทาวิริยะขึ้นมาเพื่อจะได้ปฏิบัติบูบชาถ้าสร้างแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี สำหรับอนุชนรุ่นหนังที่จะตามมาต่อไปที่เวลาเห็นพระพุทธรูปก็ดีเห็นพระเจดีย์ก็ดีจะได้เกิดความสงสัยอยากรู้ขึ้นมาว่าเป็นอะไรก็จะได้สนใจศึกษาสแสวงหาข้อมูลพอได้ศึกษาปอดของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาถึงผลที่พระพุทธเจ้าได้ท่งบรรลุ ถ, ถึง ก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและได้ทรงปฏิบัติอย่างหลวงตาของพวกเรานี้ท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านบวชนั้นท่านไม่มีความปรารถนาที่อยากจะบวชเลยบวชเพราะว่าพา่อพูดว่ามีลูกชายคือหลวงตานี้คนเดียวเท่านั้นที่ พอจะอาศัยได้นะหลวงตาท่านก็เลยบวชเพราะต้องการที่จะตอบแทนพระคุณของบิดาและมารดาแต่หลังจากที่ได้บวชแล้วได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าเป็นใครได้ปฏิบัติตนอย่างไรและได้บรรลุถึงอะไรได้อะไรมา ก็เลยทำให้หลวงตาเกิดจิตศรัทธาขึ้นมาว่าอยากจะเป็นพระอรหันต์นี่นี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นถ้าเรามีพระพุทธรูปก็ดีมีพระเจดีย์ก็ดีหรือมีธรรมเนียมที่ลูกจะต้องบวชให้แก่พ่อกับแม่อันนี้เป็นการส่งเสริม ให้ผู้ที่ไม่รู้พระคุณอันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เข้ามาสัมผัสรับรู้เมื่อได้สัมผัสรับรู้แล้วก็จะได้เกิดศรัทธาที่จะน้อมนาเอาไปปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาทันที ทุกคนนี่พอได้มาเข้าสัมผัสกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าไม่ใช่เป็นคนหูหนวกตาบอดจะต้องเห็นว่าได้มาพบกับสมบัติอันร่ำคาเอที่เรียกว่ารัตนะเพชรนินจินดาอันร่ำค่าที่เราเรียกว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังครัตนะเพราไม่มีสมบัติอันใดในโลกนี้ที่จะมามีคุณค่า เท่ากับคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อให้มีสมบัติเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็จะไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วต้องหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมแล้วผู้นั้นก็ถือว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจ ที่จะนำพาใจให้ไปสู่พระนิพพานตามลําดับนับตั้งแต่ธรรมขั้นอริยธรรมขั้นแรกไปจนถึงอริยธรรมขั้นสูงสุดนี่คือพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราต้องพยายามน้อมให้เข้าสู่ใจให้ได้พระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักกันนี้ยังเป็นพระพุทธพระธรรม ประสงค์ภายนอกใจของพวกเราเหมือนกับยารักษาโรคที่เป็นยาวิเศษถ้ารับประทานแล้วจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปหมดได้แต่ถ้ายังไม่ได้รับประทานยานั้นยานั้นจะให้วิเศษขนาดไหนก็ยังไม่สามารถที่จะมารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้ สันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกใจก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนยาที่ยังไม่ได้รับประทานพระพุทธที่อยู่นอกใจก็คือใครก็พระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ก็ถือว่ายังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นอกใจของพวกเราอยู่เรายังต้องคิดถึงท่านอยู่ท่านถึงจะเข้ามาสู่ใจของเรา หรือพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้กันอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระพุทธรัตรตนตาไตที่อยู่ข้างนอกยังไม่ได้อยู่ในใจเช่นเดียวกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ยินได้ฟังหรือได้อา่านในหนังสือนี้ก็ยังถือว่าเป็นธรรมภายนอกอยู่ยังไม่ใช่เป็นธรรมภายใน พระอริยสงสาวกที่เราไปกราบไหว้กันก็เป็นพระอริยสงสาวกภายนอกคือยังไม่ได้เข้ามาในใจเราเรายัางไม่ได้เป็นพระอริยสงสาวกนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำกันต้องปฏิบัติบูบชาแล้วเราจะน้อมเราจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาประดิษฐาน อยู่ภายในใจของเราการปฏิบัติบูชานี้แหละคือการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาตั้งอยู่ในใจของเราพอตั้งอยู่ในใจของเราแล้วก็จะพาใจของเราให้ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะตั้งเป้า ก็คือการปฏิบัติบูชาเป็นหลักส่วนอามิสสบูชาถ้ามีเหตุมีความเหมาะสมที่จะต้องทำก็ทำไปแต่อย่าไปหลงอยู่กับอามิสสบูชาจนลืมการปฏิบัติบูชาเช่นไปสร้างพระพุทธรูปไปสร้างวัดไปสร้างเจดีย์กันจนลืม ถึงการปฏิบัติบูชาเพราะการสร้างวท้าวอ แ, และวัตถุต่างๆนี้ก็เป็นเพียงอมิสบูชาเท่านั้นถ้าอยากจะให้เป็นปฏิบัติบูชาเราต้องภาวนาเราต้องปฏิบัติธรรมเราต้องปิกวิเวกเราต้องกำจัดข้าศึกศัตรู ที่จะมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเรา่ารศึกศัตรูก็คือการติดอยู่ในลาบยศเสริญสุขนี่เองถ้าเรายังติดอยู่ในลาบยศเสริญสุขยังติดอยู่กับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมได้ แล้วเมื่อเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่สามารถน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ภายในใจของเราได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการปฏิบัติบูบชาผู้ที่ต้องการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจจำเป็นจะต้องสละลาบยศสารเสริญสุขไปถ้ายังมีความผูกพันยังมีความเกี่ยวข้องอยู่กับลาบยศ ส, สรเสิญสุข ก็จะไม่สามารถที่จะบําเพ็ญให้เกิดผลได้อย่างเต็มที่อาจจะได้บ้างช่วงเวลาที่ปีกออกมาปฏิบัติแต่พอกลับไปสู่ลาบยศเสริญสุขทําที่ได้จากการปฏิบัติก็ต้องชะ ง, งักไปไม่จะเงินนอกงานแต่ถ้าได้ปีกวิเวกออกมา และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับลาบยศสารเสริญสุขเลยทำที่ได้นี้ก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนออกเป็นดอกเป็นผลออกเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลเป็นสกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผล ผลเหล่านี้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เกิดจากการกลับไปหานาภโยตระเสริญสุขถ้ายังอยู่ในช่วงที่ยังต้องกลับไปกลับมาก็ต้องยอมรับไปว่าเป็นกรรมของตนหรือเป็นวิบากที่ยังไม่สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ แต่ต้องพยายามตั้งเป้าไว้ว่าถ้าอยากจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐผู้ที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราต้องพยายามตัดการเกี่ยวข้องกับลาบยศสรรเสริญสุขให้ได้ทำไปตามลำดับทำไปตามขั้นตามตอนตอนนี้ทำได้เท่าไหร่ก็ทำไป แต่อย่าให้มันมากขึ้นพยายามให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆถ้ามันน้อยลงไปเรื่อยๆก็แสดงว่าเป็นการเดินก้าวหน้าไปเป็นความก้าวหน้าถ้ามันเพิ่มมากขึ้นถ้ามีความไปเกี่ยวข้องกับราบยศสรรเสริญสุขมากขึ้นก็แสดงว่าเป็นการเดินถอยหลังไม่ก้าวหน้าในทางธรรมแต่ก้าวหน้าในทาง ลาบยศสารเสริญสุขซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะลาบยศสารเสริญสุขนี้ไม่สามารถที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองนอกจากไม่ยุติแล้วยังเป็นตัวเสริมให้พกชาตินี้มีการเจริญงอกงามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่ปฏิบัติ ผู้ที่สนใจต่อการหลุดพ้นจากการเกิดแก่จิตตายต้องเห็นว่าราบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นข้าศึกษัตวอเป็นสิ่งที่ต้องคอยทำลายไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะคอยส่งเสริมถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วปฏิบัติไปอย่างไรก็จะไม่มีวันได้ผล เพราะถ้ายังมีความคิดว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแก่จิตใจต้องเห็นว่าเป็นโทษเป็นศัตรูไม่ใช่เป็นคุณเป็นมิตรเวลามีอะไรมาชวนให้ไปหาลาบยศสารเสริญสุขนี้ต้องตัดให้ได้ไม่ใช่ตามไป ใครชวนให้ไปหาลาบยกสระเสริญสุขก็ตามเขาไปถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าหลงทางไปไม่ถูกทางทางที่จะไปต้องไปสู่การบําเพ็ญจิตตภาวนาไปสู่การปิกวิเวกไปสู่การสำรวนอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายคือไปสู่การบวช การบวชนี้ก็คือเป็นการออกจากลาบยศสรรเสริญสุขนี้เองผู้ที่บวชนี้จะไม่มีลาบติดตัวไปไม่มียตตมมศติดตัวไปไม่มีสรรเสริญติดตัวไปไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายติดตัวไปมีสิ่งที่ติดไปก็ศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มีฉันทะติดตัวไปคือความยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีวิริยะคือความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติเนี่นี่แหละคือสิ่งที่เป็นมิตรกับพวกเรามิตรกับผู้ปฏิบัติมิตรต่อผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาต่อการปฏิบัติธรรมฉันทะแปลว่าความยินดีพอใจที่จะปฏิบัติธรรมวิริยะคือความเพียงความภาคเพียงในการปฏิบัติธรรมจิตตคือการจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมไม่ปล่อยให้ใจไปสนใจในเรื่องอื่น ให้สนใจอยู่กับเรื่องปฏิบัติธรรมเพียงเรื่องเดียวถ้ามีอะไรมาฉุดมาลากไปถ้าสุดวิสัยต้องไปก็ไปไปเพื่อกลับไปเพื่อกลับไม่ใช่ไปแล้วลืมไปแล้วหายไปเลยไปไปทํากิจที่จําเป็นต้องทําเสร็จแล้วก็รีบกลับมาท่านมีจิตตะใจจะเป็นอย่างนั้นใจจะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติ วิมังสาก็คือความค่ายควรความคิดค่ายควรคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติคิดว่าปฏิบัติถึงตอนนี้แล้วเป็นอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรขาดอะไรควรจะเพิ่มอะไรนี่เรียกว่าวิมังสาจิตใจค่ายควรอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทำเพียงอย่างเดียวไม่ไปสนใจกับเรื่องราบยศสรเสริญสุขถ้าเรามีมิตรอย่างนี้ รับรองได้ว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็มีมิตรเหล่านี้ท่านมีศรัทธาในธรรมปฏิบัติท่านมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาต่อธรรมปฏิบัติผลจึงปรากฏขึ้นมาเพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะศรัทธาในการปฏิบัติธรรม มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต่อการปฏิบัติธรรมพระองค์จึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหลันตะสา ม, มาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหลันตสาวกก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาในธรรมปฏิบัติมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาต่อธรรมปฏิบัติจิตใจนี้พุ่งไปสู่การปฏิบัติเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับ ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิจนกว่าจะถึงเวลาออกบิทะบาทเบนทะบาตเสร็จแล้วกลับมาฉันเสร็จนั่งบาททําธุระทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วกลับมาที่พักก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธินี่ก็เป็นธรรมปฏิบัติ ถ้าเหนื่อยหรือเพลีย อ, อยากจะพักก็อาจจะพักช่วงกลางวันสักชั่วโมงหนึ่งพอหลังจากนั้นพอตื่นขึ้นมาก็บำเพ็ญต่อทันทีเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาสลับกันไปแล้วแต่ความสมควรแล้วแต่ภาวะจิตของแต่ละท่านว่าอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับสติก็จเจริญสติ อยู่ในระดับสมาธิก็เจริญสมาธิอยู่ในระดับปัญญาก็เจริญปัญญาปฏิบัติอยู่กับธรรมสามสา ม, สามชนิดนี้คือสติสมาธิปัญญาจนกว่าจะถึงเวลาปัดกวาดก็ออกไปปัดกวาดเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำปานะหลังจากนั้นก็สงน้ำอาบน้ำอาบท่า ซักผ้าเสร็จแล้วก็กลับมาบาเพ็ญเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มก็พักผ่อนหลับนอนรับพักผ่อนหลับนอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงพอตีสองตีสามก็ลุกตื่นขึ้นมามาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาสว่างออกบิณฑบาตนี่แหละคือ ศรัทธาฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาของพระอาลันตสาวกทั้งหลายในช่วงที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติแบบนี้ผลจึงปรากฏเป็นพระอาลันตสาวกขึ้นมาผู้ใดก็ตามถ้าสามารถบำเพ็ญปฏิบัติแบบที่ท่านปฏิบัติก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะเหตุนี้จะไม่เปลี่ยนไปตามเวลา ไม่เปลี่ยนไปกับบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้เหตุนี้สามารถที่จะยังประโยชน์ยังผลได้ไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใดในสมุในยุคสมัยพระพุทธการถ้ามีเหตุนี้ก็มีผลนี้ตามมาในยุคปัจจุบันถ้ามีเหตุนี้ก็จะมีผลนี้ตามมาดังที่ได้ทรงตัดไว้ว่าเป็นอาการลิโกทำของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโก ไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาการปฏิบัติในสมัยพร ะ, พ, ระพุทธการที่ทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาอย่างไรถ้ามีการปฏิบัติแบบนั้นในสมัยปัจจุบันก็จะมีมรรคผลนิพพานปรากฏขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยว่าเป็นใครเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคารวา ชนะสถานภาพเหล่านี้ไม่เป็นตัวชี้บอกบอกว่าจะได้มรรคได้ผลหรือไม่แต่อยู่ที่ธรรมะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บาเพ็ญได้ปฏิบัติมานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องพุ่งเป้าไปคือที่ธรรมะปฏิบัติอย่าไปสนใจว่าเป็นยุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว แม้แต่ไม่มีพระอาลหันตสาวกมาสอนก็ยังไม่เป็นปัญหาถ้ายังมีพระธรรมคำสอนอยู่เช่นคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านล่วงรับไปแล้วเช่นคำสอนของหลวงตาคำสอนของหลวงปู่มัน่นคาสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนได้มกผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างแน่นอน ดังนั้นเราอย่าไปให้ความหลงความคิดผิดมันดอกเราให้เราท้อแท้หรือไม่ปฏิบัติกันขอให้เราดำลึกถึงพระพุทธเจ้าดาลึกถึงพระอาหารหันตาสาวกอยู่เสมอดาลึกถึงวิธีการปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติอย่างไรแล้วเราดูว่าตอนนี้เราปฏิบัติอย่างไร ถ้าเรายัางไม่เหมือนท่านเราก็ต้องปรับให้เหมือนให้ได้ท่านปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเราปฏิบัติกันตื่นจนหลับหรือเปล่าท่านไม่สนใจกับลาบยาศสารเสริญสุขเรายังสนใจอยู่กับลาบยศสารเส ร, ริญสุขอยู่หรือเปล่าเราต้องเปรียบเทียบตัวเรากับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกถ้าเราอยากจะเป็นพระอรหันตสาวุกอยากจะเป็นพระพุทธเจ้า เพราะเหตุนี้มันเป็นเหตุเดียวกันที่จะทำให้ผลอันเดียวกันนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่ว่าเราเป็นใครเป็นคนชาติไหนบางคนก็จะคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นชาวอินเดียเราเป็นคนไทยเราจะไปปฏิบัติเหมือนชาวอินเดียได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นความคิดที่คาดเคลื่อนจากเหตุผลไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นมิจฉาทิฏฐิสามมาทิฏฐิก็คือเหตุที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นอย่างไรถ้าเราบำเพ็ญเหตุนั้นผลก็จะต้องเป็นอย่างเดียวกันอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราจึงไม่ต้องมีความลังเลสงสัยว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีพระอรหันตสาวกแล้วเราจะปฏิบัติกันได้มักได้ผลอย่างไรถ้ายังมีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ของพระอาลหลันตสาวกอยู่เราก็ยังสามารถที่จะบําเพ็ญปฏิบัติได้บรรลุได้อย่างหลวงตาตอนที่บําเพ็ญท่านก็ยังไม่ได้บรร ล, ลุแต่หลวงปู่มั่นก็มรณภาพไปก่อนท่านก็ยังบําเพ็ญต่อท่านก็ยังปฏิบัติต่อแล้วในที่สุดไม่นานหลังจากที่หลวงปู่มั่นมรณภาพไปไม่กี่เดือนท่านก็บรรลุเป็นพระอาลหลันขึ้นมา ถึงแม้ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วแต่ถ้าเรามีธรรมะปฏิบัติอยู่ในใจเราจะสามารถปฏิบัติไปของเราไปได้เรื่อยๆอาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเองเพราะอาจจะหลงทางบ้างหรืออาจจะไม่รู้ทางไม่มีใครบอกถ้ามีครูบาอาจารย์มันก็จะเร็วพอมีปัญหาอะไรไม่แน่ใจไปปรึกษากับท่านท่านก็จะแก้ความสงสัยให้กับเราได้ทันที เพราะท่านผ่านมาแล้วท่านรู้แล้วว่าทางไหนถูกทางไหนไม่ถูกนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่คอยช่วยแก้ปัญหาคอยช่วยชี้แนะแนวทางให้แต่ก็ต้องปฏิบัติอยู่ดีไม่ใช่มีครูบาอาจารย์แล้วเราไม่ต้องปฏิบัติแล้วเราจะได้ผล ฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วก็กลับไปกินขนมไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงถ้าไปทำอย่างนี้ก็ไม่เกิดผลขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติตามที่ท่านได้ส่งตามที่ท่านได้แสดงสอนพวกเราท่านสอนให้พวกเราปรีกวิเวกเราก็ต้องไปปรีกวิเวกท่านสอนให้พวกเราทิ้งลาบยศสารเสริญสุขเราก็ต้องทิ้งมันไป ถ้าฟังแล้วไม่ทำตามมันก็เหมือนกับไม่ได้ฟังมีก็เหมือนกับไม่มีเพราะผลมันก็ไม่เกิดอยู่ดีนั่นเองผลมันจะเกิดก็เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นเองดังนั้นเราต้องมองตัวเราเองด้วยว่าการที่เรายังไม่บรรลุยังไม่ได้ผลนี้มันอยู่ที่ตรงไหนเราขาดอะไรเราขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หรืวเราขาดธรรมะปฏิบัติที่พระพุทธรธรรมพระสงฆ์สอนให้เราปฏิบัติกันต้องพิจารณาให้ดีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะหลอกตัวเราเองไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปโทษว่าเวลาผ่านไปแล้วพระพุทธเจ้าตายไปแล้วจากพวกเราไปแล้วพวกเรา ไม่มีวันที่จะบรรลุธรรมได้เพราะพระพุทธเจ้าเอาธรรมติดตัวไปด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงติดตัวไปด้วยพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าธรรมวีัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นาศาสดาแทนพวกเธอต่อไปเป็นาศาสดาแทนเราต่อไปจะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปดังนั้นเราไม่มี เราไม่ได้อยู่โดยไม่มีภาษาสดาถ้าตราบใดยังมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ก็เท่ากับว่าเรามีพระพุทธเจ้าสั่งสอนเราโดยโตรงฉะนั้นสิ่งที่ขาดจริงๆไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เรานั่นแหละอยู่ที่ว่าเรามีการปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมเราฟังเทศน์ฟังธรรมเสร็จแล้วเรากลับบ้านเราก็กลับไปหาลาบยศสารเสริญสุขถ้าทำอย่างนี้ ต่อให้มาฟังทมอีกสิบปีอีกยี่สิบปีผลก็ไม่เกิดผลจะเกิดก็ต่อเมื่อ น, นำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติวันนี้สอนให้ปฏิบัติบูชาให้บูชาพระพุทธพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสละลาบยศสละเสริญสุข แล้วมุ่งไปสู่การปริกวิเวกมุ่งไปสู่การสารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายมุ่งไปสู่การเจริญสติสมาธิปัญญาถ้าเราปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติผลก็จะต้องเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้รับอย่างแน่นอนดังนั้นในวันสำคัญในวันนี้คือวันวิสาข บ, บูชาวันที่เรามาล่ำลอกถึงพระพุทธกุล กานใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าเราลึกถึงวันคล้ายวันประสูติวันตัดสรุ้และวันสเสด็จดับขันธปริญพานี้ให้ทำให้พวกเราเกิดศรัทธาขึ้นมาให้เกิดฉันทวิริยะจิตวิมังสาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อการปฏิบัติธรรมถ้าเราทำให้ศรัทธา เกิดขึ้นได้ในวันนี้ทำให้ฉันทวิริยจิตตะวิมังสาเกิดขึ้นได้ในวันนี้ในวันข้างหน้ามักผลนิพพานก็จะต้องเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราภิกุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุ მ หังคิปเมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อะระโสยธาสพิตโยวิวัชจันตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวตวันตรยโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัฒนสีริสนิจังวุทธาปจายโนจตารโอธรมมวทธานติอายุวโนสุขัง ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาข้อใดขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยขอความกรุณาถามตอนที่เปิดใหม่ถ้าปิดใหม่แล้วก็ถือว่าไม่ไม่ถามแล้ว ถ้าอยากจะถามตอนนี้ไม่เปิดอยู่ก็ขอเชิญขึ้นมาถามได้ทุกคนถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่เขาถามผ่านมาทาง Facebook ได้ถามอเอาเลยกับนมัสการท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับก่อนอื่นนั้นผมอยากจะขออนุโมทนาบุญกับหลายๆท่านนะครับที่ทำหนังสือนะครับคือเมื่อช่วงเดือนเมษามาเนี่ยนะผมไป ในคำ ม, มะที่วัดป่าปทุมรัตน์นะครับมีหนังสือกายคติแล้วก็ประวัติองตามหาบัวซีดีแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือซีดีของพระอาจารย์นะครับแผ่นที่ 11-12 นะครับพอไปถึงที่นั่นถวายท่านพระอาจารย์ชื่อวิบูลท่านก็บอกว่ายินดีแล้วก็ท่านเนี่ยเคารพนับถือพระอาจารย์อยู่นะครับพออีกวันหนึ่งมาปุ๊บ มีคนก็เอาซีดีมาแจก <c oughs> คือผมไม่รู้หรอกครับบอกเอาซีดีธรรมะไหมเอาทีสธรรมะไหมบอกทีสธรรมะเลยครับอ๋อนี่ของพระอาจารย์สุชาติอพิชิตโตว่างี้นะ <c oughs> แล้วนึกในใจออกผมมีแล้วครับ <c oughs> ก็อนุโมทนากับหลายๆท่านนะครับที่ที่ทำนะครับเป็นธรรมทานครับครับเรื่องของผมมีประมาณสอง ข, องข้อครับก็คือว่ า, าการที่นั่งฟังพระอาจารย์เทศเนะครับโดยที่ ไม่ได้คิดไปอย่างอื่นเนี่ยนะครับผมสงสัยว่ามันเกิดสมาธิขึ้นได้เลยไหมนะครับเพราะว่า เ, เมื่อหลายหลายเดือนเนี่ยนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันก่อนจะมาพบอาจารย์เนี่ยนะครับพยายามปฏิบัติเองที่บ้านเนี่ยนะฟังซีดีก็รู้สึกกนันๆครับมันผมลองนับดูนะเข้าออกเข้าออกไม่เกินสิบไปละไม่รู้ไปไหนพยายามทําแล้วทําอี ก, ก น, นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มานะครับ เดี๋ยวนี้กลับเหมือนเดิมคือหมายก็ว่าดีขึ้นนะครับ เ, เวลาฟังพระอาจารย์เทศ น, นะครับเวลานั่งฟังปุ๊บนี่มันวูบเหมือนจะเหาะไดนะ้พระอาจารย์แต่ว่าผมก็ช่างมันนะมันจะเป็นงไงก็ช่างมันแต่ว่าอยากถามว่าการฟังเทศอย่างนี้นะครับสามารถมีสมาธิขึ้นได้ไหมครับก็การฟังเทศท่านก็แสดงอันนี้สองไว้สอสองแนวทาง คือถ้าฟังด้วยใจที่จดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจแต่ใจเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมให้เสียงธรรมนั้นเข้าไปกล่อมใจใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่อาจจะไม่ได้หมายความว่าเข้าสงบถึงขั้นอัปปนาแต่ใจก็จะสงบเย็นเพราะใจไม่ได้คิดปรุงแต่งคมาก อันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์อย่างหนึ่งแล้วอ น, นิสงส์อีกอย่างหนึ่งของการฟังธรรมถ้าเราฟังแล้วเราพิจารณาตามได้พิจารณาเหตุและผลที่ท่านแสดงไว้จนเราเกิดความเข้าใจเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิหรือได้ปัญญาขึ้นมาร บ, บรรลุธรรมได้อย่างตอนที่พระพุทธเจ้าทร ง, งแสดงพระอริยสัจสี่ครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคี หนในพระปัญจวัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานี่แสดงว่าท่านฟังแล้วท่านพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าทุกเกิดจากอะไรแล้วก็การดับทุกนี้ดับด้วยวิด้วยอะไรพอฟังแล้วเขา้าใจก็เลยใจก็เลยสว่างขึ้นมามีปัญญาครับผมครับ อ, อ, อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงฟังเทศเนี่ย น, นะครับถ้ามันฟุ้งซ่า น, นนะครับ อย่างผมไม่รู้จะคิดยังไงนะก็นึกถึงหน้าพระอาจารย์อย่างเดียวคือได้ยินพระอาจารย์ท่านอื่นบอกว่าสังขานุสติกผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็คือว่าเวลาจะคิดเรื่องอื่นฟังเทศก็ท่านเทศก็นึกถึงท่านอย่างเดียวอย่างนี้พอจะใช้ได้ไหมครับถ้ฟังเทศไม่ควรอย่ไปนึกถึงเรื่องอื่นนะครับถ้าจะนึกก็ไม่ต้องฟังเทศก็ได้เพราะมัน <c oughs> คนละเรื่องกันถ้าฟังเทศก็ต้องตั้งใจฟัง ก็จะได้ได้ปัญญาซึ่งสำคัญกว่าสมาธิถ้าถ้าภูมิปัญญาเราไม่ถึงขั้นก็อย่างน้อยก็จะได้สมาธิแต่ถ้าจะนั่งสมาธิก็ไม่ต้องฟังเทศก็ได้เช่ <im> นเราจะนั่งดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปเลย <im> อย่าทำทั้งสองอย่าปนกันฟังเทศด้วยแล้วก็ดูลมหายใจด้วย หรือฟังเทศด้วยแล้วก็นึกถึงหน้าเราด้วยมันเลยปนกันจะร้อนก็ไม่ร้อนจะเย็นก็ไม่เย็นเอาอย่างได้อย่างหนึ่งใจจะสงบได้ใจจะต้องเป็นหนึ่งครับผมเอกะกะตารมใจจะเป็นหนึ่งได้ใจต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวครับครับนี่สองก็คือว่าเวลาเราทำสมาธิสามารถนั่งได้ดานานเป็นชั่วโมงหรือกับสองชั่วโมงครับ เวลาที่เราคลายออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเหมือนง่วงนอนครับแต่ว่าไม่ใช่ง่วงนอนคือไม่หลับแต่ว่าแต่พอเรานั่งปุ๊บจะทำต่อก็คือมันก็ไปได้เลยอาการอย่างนี้คือคือเขาเรียกว่าอะไรครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนคล้ายๆกับมึนๆอย่างนั้นพระอาจารย์แต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าพอเรานั่งต่อก็คือเข้าสมาธิได้จำลืมจำลืปะ น, น่าจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับผมคนอื่นยังไม่เป็นอาจจะเป็นผมคนเดียวอันอีกอันนึ่งก็คือว่าออันนี้ขออันนี้นะครับเพิ่นว่าผมดูในหนังสือกายคัตตาสตินะครับเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอาจารย์โอ้มันสามารถทําให้เรานี่พิจารณาอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะเลยเห็นใครปุ๊บนี่อันนี้ซากศพนี่อันนี้ชุ ด, ช ด, ชดสวยๆเนี่ยอันนี้คือหอ่อซากศพนะครับก็คือดีเลยครับ แต่ว่ามีอย่างหนึ่งก็คือว่าเพิ่งแลผมต้องใช้คอมพิวเตอร์นะะอินเทอร์เนต็ตนะครับมีอยู่วันนึงปุ๊บมันก็มีเด้งขึ้นมานะครับเป็นรูปรูปโป้นะครับพูดตรงๆแล้วนะเออเ อ, อมาก็ดีเดี๋ยวจะพิจารณาวัานา น, านันกตัวเองนะครับลองวิชาดูโอ้ยมันไม่มาครั้งเดียวครับมันยิ่งเข้าไปเออดูดูหน่อยนะไม่เป็นไรครับแต่ดูไยดูมาเลยปุ๊บตเลอร์เบิร์ กับก็คืออันนี้อันนี้คนอื่นก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าผมผมเชื่อใจไม่ได้ต่อไปผมมีแค่นี้ครับ <laughs> นั่น <laughs> แหละการที่เราเห็นอสุภาษนี่เรายังไม่รู้ว่ามันเอามาใช้งานได้หรือเปล่าเราต้องไปเจอข้อสอบอย่างนี้ดูแล้วดูว่าอสุภาจะมาหรือเปล่าถ้าไม่มาก็ดูพรเห็นไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วนะที่ให้ดูอสุภก็เพื่อว่าเอามาไว้แก้ปัญหา เวลาเกิดความรู้สึกลักไก่ขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ต้องเอาอสุภะที่เราได้ฝึกฝนพิจารณาอยู่นี้มาแก่ดังนั้นบางท่านบอกว่าเวลานั่งสมาธิเราเห็นซากศพเห็นนั่นเห็นนี่เห็นก็ดีแต่ยังไม่มีประโยชน์ในตอนที่เห็นในตอนนั้นเพราะโลกคือปัญหายังไม่เกิดปัญหาต้องเกิดตอนที่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมา แล้วดูซิว่าเราจะเอาเอาสุภาพภาพที่เราเห็นในสมาธินี้มาหยุดการมาร์มนั้นได้หรือเปล่าอ่มีคำถามมามานวัตการค่ะโยมขอโอกาสโยมไปฝึกโยมไปท่องอาการ32ขึ้นลงอย่างที่หลวงพ่อเคยเคยสอนนะคะแล้วก็พอตอนย้อนกลับ ย้อนกลับไปถึงอัฐิจิตมันก็ไปนึกถึงถึงกระดูแต่ว่ามันไปดูตรงหัวกระโหลกค่ะแล้วก็หัวกระโหลกนะั้นมันก็เป็นสีดาสีสีเหมือนเป็นคลุกขี้เถ้ามาค่ะแต่ว่ามันมีแสงจ้าออกมาค่ะมันเป็นแสงสว่างเหมือนเหมือนแสงพระอาทิตย์ลอดออกมาตามรอยรอยต่อของกระดูกนะแล้วโยมก็ก็รู้สึกว่านี่ มีความรู้สึกว่านี่นี่เป็นนิมิตแล้วอะไรแบบนี้นค่ะแล้วก็พยายามไม่ไม่ไปดูต่อแล้วก็แล้วก็คิดว่าควรจะควรจะท่องต่อกลับไปให้ถึงถึงเกษาก็ไม่ทราบว่าโยมทำผิดอย่างไรก็ขอคำแนะนำหลวงพ่อด้วยค่ะคือเราพิจารณาการสารสสองนี่ก็เพื่อที่จะเห็นภาพจริงของร่างกาย ตอนนี้เราเห็นภาพรวมของร่างกายคือเราเห็นแต่เฉพาะส่วนนอกเห็นผมขนและฟันหนังแต่เรามองไม่เห็นส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนังเช่นเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆเราจึงต้องสอนใจให้ลำลึกถึงอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเพื่อที่เราจะได้ไม่เกิดความรักไข้ ว่าอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนี้มันไม่น่าดูน่าชมไม่น่ารักใครนั่นเองนี่คือเป้าหมายของการพิจารณาที่ให้ท่องชื่อไปก่อนก็เพื่อจะได้มีสมาธิพอเราท่องอาการสาสิบสองได้เราก็นึกภาพของแต่ละอาการเวลาเราท่องไปเช่นพอเราท่องผมเราก็นึกถึงผมว่ามีลักษณะอย่างไร ขนมีลักษณะอย่างไรเล็บฟันหนังเนื้อมีลักษณะอย่างไรก็เนี่ยเป็นการพิจารณาอาการสา mm. เพื่อให้เราได้เห็นอย่างถี่ถ้วนทุกอาการว่าของร่างกายว่าเป็นอย่างไรส่วนใหญ่เราจะมองเห็นกันแค่5้าอาการคือผมขนเล็บฟันหนังแล้ว5้อาการนี้ก็ได้รับการตกแต่งเสริมสวยจนดู ผิดจากความเป็นจริงไปเราจึงหลงไหลคลั่งคล่กับอาการห้าอาการนี้แล้วก็มาทุกข์กับห้าอาการนี้เวลาที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาได้เสริมสวยไว้เวลาที่มันเหี่ยวเวลาที่ผมมันขาวผมมันงอผมมันร่วงเวลาที่หนังมันเหี่ยวหรือมีมีสิวมีฝ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมา ใจก็จะทุกข์กับอาการเหล่านี้แต่ถ้าเราพิจารณาอยู่ไว้ก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้สวยงามไปตลอดเวลามันมีเวลาที่มันจะต้องเสื่อมไปมีเวลาที่มันจะต้องเหี่ยวย่นลงไปหรือเกิดอุบัติเหตุโดนไฟลวกไฟไหม้บ้านแล้วผิวหน้าถูกไฟหน้ามันผิวหน้ามันก็จะเปลี่ยนไป นี่คือสิ่งที่เราต้องหัดพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายบ้างอย่าไปมองดูแต่ส่วนที่สวยเพราะสวยแล้วมันเกิดความรักไข่เกิดความหึงหวง เ, เกิดความทุกข์จากการรักไข้จากการหึงหวงถ้าเห็นว่ามันไม่สวยงามไม่น่าดูมันก็ไม่มีความรักไข่ไม่มีความหึงหวง มันก็จะรู้สึกเฉยๆกับร่างกายนี่คือเป้าหมายของการพิจารณาการสามสิบสองดังนั้นการพิจารณานี้ให้เห็นตามความจริงถ้ามันแหวกแนวไปมีแสงมีสีอะไรผัดขึ้นมาให้รู้ว่าสังขารปรุงแต่งมันปรุงขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เป็นตามความจริงความจริงมันอย่างที่เรารู้กันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็อย่าไปสนใจ ขอบคุณค่ะต่อไปเป็นคําถามจากทางบ้านค่ะคําถามแรกจากคุณเจีอาร์อันพิจารณาเราไม่ใช่เราอย่างไรให้ขาดเพราะอะไรบางเรื่องเรารู้ทันจิตไม่กระเพื่อมแต่เรื่องที่เรารู้ไม่ทันจิตกระเพื่อมแรงนักถ้ารู้ทันแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกไหมคือถ้ากระทบอีกจากกระเพื่อมไหมคะ ถ้ารู้ทางแล้วมันก็ไม่ต้องกับเพื่อมถ้ากับเพื่อนก็ยังไม่รู้ไม่ทันคำถามต่อไปจากคุณภาวนาในประวัติหลวงปู่มั่นมีโยมทั้งหญิงและชายที่ภาวนาโดยไม่ได้บวชเป็นพระหรือเป็นชีแต่ภาวนาได้ถึงมรรคผลนิพพานแสดงว่าค า, าว่าก็สามารถสำเร็จมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันใช่ไหมคะ ก็อย่างที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นแล้วว่ามันไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยอยู่ที่ธรรมะปฏิบัติผู้ใดมีธรรมะปฏิบัติผู้นั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่ผู้ที่บรรลุธรรมส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชกันเพราะว่านักบวชนี้จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้บวชแต่ผู้ที่ไม่ได้บวชบางท่านอาจจะตกงานก็ได้ ก็จะมีเวลาว่างปฏิบัติธรรมก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราพูดแบบโดยรวมอย่างนี้นักบวชนี่จะบรรลุธรรมได้มากกว่าคารวาแต่พูดโดยเฉพาะตัวเราก็ไม่นะนักบวชไม่ปฏิบัติก็ไม่บรรลุก็มีเยอะแยะไปคารวะที่ปฏิบัติแล้วบรรลุก็มีเหมือนกัน อย่างนั้นก็ต้องแยกแยะให้ถูกเท่านั้นเองท่านต่อไปจากคุณนิชาพาส่งการบ้านต่อจากเมื่อวานค่ะได้ฟังพระอาจารย์ตอบการบ้านว่าให้ระวังจะเสียสามีโยมมรณานุสติเรื่องการพลัดพาคจากคนที่ตนรักมาระยะหนึ่งแล้วเจ้าค่ะเดิมโยมจะหวงห่วงลูกสาวสามคนมากไม่ยอมให้ไปไหน แต่เมื่อปฏิบัติธรรมมาระยะหนึ่งโยมเกิดความคิดว่าทั้งลูกและสามีเขาก็เคยเวียนไหวตายเกิดมาเช่นเดียวกันกันกบเราต่างคนต่างได้ทำกรรมมาทั้งดีทั้งไม่ดีตามกิเลสที่กระทำต่อกันไปเราทุกคนมีกรรมเป็นสิ่งที่ต้องรับต้องเป็นไปแรงใดเสมอแรงกรรมไม่มีโยมจึงเริ่มวาง เรื่องห่วงห่วงลูกและสามีมาได้เกือบครบปีแล้วหากต้องเสียใครไปก็ไม่โศกเศร้าเราจะไปทุกข์กับกรรมของใครต่อใครได้อย่างไรเจ้าคะโยมอยู่กับใจสงบสงบและวันหนึ่งโยมก็จะเป็นมืออาชีพที่จะเดินไปสู่ธรรมอันสูงสุด ร, ระหว่างนี้ก็เตรียมพร้อมต่อการเข้าห้องสอบที่จะยากขึ้นยากขึ้นด้วยความไม่ประมาจเจ้าคะ่ะ สาธุสาธุ <laughs> หวดแล้ ว, ลวมีใครอยากจะรายงานผลบ้างไหมแสดงผู้ที่มารายงานผลก็เข้าเข้าเข้าถึงธรรมเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่แต่จะเห็นถึงทุกสัตว์ทุกส่วนแร้วยังก็แล้วแต่เห็น เห็นเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของตัวเองยังเห็นหรือเปล่าเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของตัวเองก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบเวลาพิจารณาร่างกายพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาทั้งกายเราและกายของผู้อื่นตอนต้นก็พิจารณากายเราแล้วก็พิจารณากายผู้อื่นแล้วก็พิจารณาทั้งผู้อื่นและของเราจะได้เห็นภาพที่ครบทั่วบริบูรณ พราถ้าเราคิดถึงเราคนเดียวเราก็คิดว่าเราจะแก่เจ็บตายคนเดียวคนอื่นไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับเราถ้าเราคิดถึงคนอื่นว่าเขาจะแก่เจ็บตายเราก็จะลืมไปว่าเราอาจจะคิดว่าเราไม่แก่เจ็บตายไปกับเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอบครอบพิจารณาให้ครบถ้วนทั้งเขาทั้งเรามีเหมือนกันหมดอย่าพิจารณาแต่เขาอย่างเดียวหมืออยากพิจารณาแต่เราอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวเกิดพิจารณาเขา พอเราเป็นขึ้นมาเราทำใจไม่ได้ถ้าพิจารณาเราไม่ได้พิจารณาเขาเดี๋ยวเขาเป็นอะไรเราก็จะทำใจไม่ได้เนี่ยเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับเราร่างกายนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับเราเราคือใครเราคือใจใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้ได้ร่างกายนี้มาเป็นสมบัติแล้วต่อจากนั้นก็ได้ร่างกายของผู้อื่นมาเป็นสมบัติ ได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ที่ดามาเป็นสมบัติเกิดมาก็ได้พ่อได้แม่มาต้องพิจารณาหมดทุกคนว่าในที่สุดก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วพอเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะไม่เราก็จะไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่าเสียไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเสียใจก็ไม่ได้ทำให้เขาไม่ตาย ห้ามเขาไม่ได้เป็นอนาาัสตาคือทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนก้อนเมฆ ก, ก้อนเมฆมันรวมตัวจากน้ำที่เราเหยขึ้นไปแล้วพอมันมีหนักน้าหนักมันมากขึ้นมันก็ตกลงมากลายเป็นน้ำเมฆก็หายไปร่างกายนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็เป็นดินเป็นน้าน้าที่เราเดื่มเข้าไปก็เป็นน้า ลมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นลมธาตุไฟความร้อนที่ปรากฏจากการได้ดินน้ํำลมก็ปรากฏมีไฟขึ้นมานี่คือร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มันเป็นดินน้ํำลมไฟมาเปลี่ยนเป็นผมขนเล็บฟันกินข้าวเข้าไปแล้วก็ทําให้ผมยาวขึ้นกินอาหารเข้าไปหายใจ ถ้าไม่กินอาหารไม่หายใจไม่กินน้ำผมมันก็จะไม่ยาวร่างกายมันก็จะไม่เจริญงอกงามได้มันก็จะมันก็จะมีแต่เสื่อมและสลายไปในที่สุดนี่คือการพิจารณาเรื่องของร่างกายต้องพิจารณาทั้งของเราและของเขาพิจารณาว่าไม่มีตัวไม่มีตนในร่างกายถ้าอยากจะรู้ก็ลองค้นหาดู ไล่ไปทุกการดูว่าเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่ผมหรืออยู่ที่ขนหรืออยู่ที่เล็บหรืออยู่ที่ฟันเนี่ยเหมือนกับเราคิดว่าเราลืมกุญแจไว้ในกระเป๋าเราก็ต้องเทกระเป๋าออกมาดูเราถึงจะรู้ว่ากุญแจมันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าถ้าไปคิดเฉยๆมันก็จะไม่รู้ว่ากุญแจนั้นมันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ว่ามันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าก็เทของที่มีอยู่ในกระเป๋าออกมาให้หมดเลยก็จะเห็นว่ามีกุญแจหรือไม่มีกุญแจ ถ้าเราคิดว่าเราร่างกายมีอยู่ในถ้าเรามีเราอยู่ในร่างกายนี้แล้วก็เทร่างกายนี้ออกมาเลยจําแนกร่างกายนี้ออกมาเป็นชิ้นๆไปเลยเป็นส่วนๆไปเลยผมก็แยกไว้ส่วนขนก็แยกไว้ส่วนได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกมาเป็นอาการสารสิบสองออกมาวางไว้แล้วหาดูว่าตัวเราอยู่ตรงไหนมันก็จะไม่เห็นหรือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้ว ขี้เท่าเป็นเราหรือเปล่าเศษกระดูกเป็นเราหรือเปล่าให้พิจารณางี้แล้วต่อไปมันก็จะได้รู้ว่าคำว่าเรานี้เป็นคำแปลว่าคำแปล ว, ว่าความหลงหลงไปตู่เอาเฉยๆว่าร่างกายนี้เป็นเราเท่านั้นเองเป็นความตู่ของเราเองความจริงแล้วมันไม่มีแต่เรามีไม่มีที่ผู้คิดอยู่นี้คือเราแต่เราก็เป็นความคิดของผู้คิดอีกทีนึง ผู้คิดว่าเราเอถ้าไม่คิดว่าเรามันก็ไม่มีเราเนี่ยงั้นถ้าหยุดความคิดเราก็หายไปเรานั่งสมาธิแล้วใจสงบความคิดปรุงแต่งหยุดปั๊บตัวเราก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้เนี่ยคือตัวจริงของเราจะว่าของเราเอีกก็ไม่ได้ตัวจริงคือตัวรู้เนี่ยก็เหลือแค่นั้นตัวคิดก็ออกมาจากตัวรู้นี้พอคิดมันก็คิดเราเขาขึ้นมา พอไม่คิดมันก็หายไปหมดงั้นเราต้องฝึกทำสมาธิด้วยเราถึงจะได้เห็นความไม่มีตัวตนอย่างชัดเจนการแยกแยะพิจารณาก็เห็นได้เหมือนกันแต่มันต้องแยกอยู่เรื่อยๆบ่อยๆมันอาจจะไม่มีกำลังแยกพอไม่แยกปั๊บมันก็รวมกันเข้ามาเป็นตัวเราอีกแล้วยั้นต้องพยายามทำทั้งสมาธิทำทั้งปัญญาช่วยกันแล้วต่อไปมันจะไม่หลง มันจะรู้ว่าไม่มีตัวตนในร่างกายนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีใครอยากจะรายงานผลนะเราถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้า ในทำยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ